พระผู้มีพระภาคได้เสด็จจาริกไปในแคว้งกุรุพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงนิคมชื่อธุลโกฏ ธ, ธิตะพรามและขหาบดีชาวนิคมนั้นได้สดับข่าวและเกียรติศัพท์อันงามของพระศาสดาวา่าเป็นพระอาหารหันต์สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นต้นทรงแสดงธรรมมีคุณงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศพรมจันท ร, ร์พร้อมทั้งอัถ และพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยประการทั้งปวงการเห็นพระอาหารหันต์เช่นนั้นเป็นการดียิ่งนักพราหมณ์และข้าบดีชาวนิคมนั้นดำริดังนี้แล้วได้ชวนกันไปเฝ้าพระสกยมุนีบางพวกถวายบังคมแล้วนั่งเฉยอยู่บางพวกเอวยวาจาปราศัยบางพวกประคองอัญชลีบางพวกประกาศชื่อและโคดของตนพระตถาคตเจ้าทรงสแสดงธรรมให้ประชาชนครั้งนั้น ได้เห็นแจ้งเข้าใจให้สมาทานอาหารร่าเริงชื่นบานเวลานั้นใช้หนุ่มผู้หนึ่งชื่อรัฐบาลเป็นบุตรของผู้มีสกุลในนิคมนั้นนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ด้วยเกิดความคิดขึ้นว่าทำอย่างไรหนอเราจะได้รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยประการทั้งปวงผู้ครองเรือนทาได้ยาก ฉไนหนอเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นวันพชิตเมื่อคนทั้งหลายอื่นฟังพระธรรมเทศนากลับไปแล้วไม่นานรัฐบาลกุลบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลถึงความดำริของตนและขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระพุทธองค์พระาศาสดาตรัสถามว่าดูก่อนรัฐบาล มารดาบิดาอนุญาตการบันประชาอุปสมบทของท่านแล้วหรือยังไม่ได้ขออนุญาตเลยพระองค์ผู้เจริญพระตถาคตเจ้าทรงสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยความกรุณามาอย่างรัฐบาลกุลบุตรพร้อมตรัสว่ารัฐบาลตถาคตไม่อาจบวชกุลบุตรที่บิดามารดาไม่อนุญาตได้รัฐบาลกุลบุตรผู้มีดวงเนตรอ่อนโยนแต่แฝงไว้ซึ่งความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ ได้กราบทูลพระสุคตขึ้นว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำทุกอย่างเพื่อให้มารดาบิดาอนุญาตให้ออกบวชจนได้พระจอมุนีทรงแสดงอาการดุสนีด้วยความเจนจบในเหตุการณ์ทั้งในอดีตและอนาคตฝ่ายรัฐบาลลุกจากอาสนะถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วกลับสู่เคหของตนเข้าไปหามารดาบิดาแจ้งความคิดของตนให้ท่านทราบ พร้อมด้วยอาการตกตะลึงท่านทั้งสองกล่าวว่าลูกเอย๋ยเจ้าเป็นบุตรคนเดียวของพ่อแม่เป็นที่รักดึงดวงใจเจ้ามีแต่ความสุขได้รับเลี้ยงดูมาอย่างเป็นสุขไม่เคยได้สัมผัสกับความทุกข์ร้อนเจ้าจักทนต่อความลําบากในเพศบรรพชิตได้อย่างไรลูกเอย๋ยเจ้ายังหนุ่มมีเกษาดําเป็นมันครับจงหาความสุขยิ่งคาวาสจงบริโภค จงอยู่ให้บำเรอย่างสำราญและทำบุญไปด้วยก็ย่อมได้เราทั้งสองจะอนุญาตให้เจ้าบวชไม่ได้ไม่อยากพัดพรากจากเจ้าแม้ชั่วครู่เดียวจะกล่าวใหญ่ถึงจะยอมให้เจ้าไปบวชซึ่งเป็นการแยกกันกินแยกกันอยู่แม้มัดุราชเจ้าแห่งความตายพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาให้มาพรากตัวเจ้าไปเมื่อเป็นดังนี้สิ่งใดเล่าจะมีอำนาจดึงลูกไปจากแม่ ทั้งๆ ท, ที่เราทั้งสองยังมีชีวิตอยู่รัฐบาลกุลบุตรเฝ้าอ้อนวอนมารดาอยู่หลายครั้งแต่ท่านทั้งสองก็คงยืนกลานเช่นเดิมและกล่าวเพิ่มเติมว่าลูกเอย๋ยเชื่อแม่เถอะการบวชไม่ประเสริฐอะไรเลยถ้าลูกจะปรารถนาทำความดีอยู่ในคารวาสก็ทำได้และอาจทำได้มากกว่าเสียด้วยซ้ำเพราะมีทรัพย์สินสมบัติเป็นเครื่องอำนวยให้ทาความดีได้โดยสะดวก สมบัติของเราก็มีอยู่มากใช้ไปอีกกี่ชั่วคนก็ไม่หมดรัฐบาลกุลบท ต, ตอบว่าข้าแต่ท่านมารดาพูดถึงทรัพย์สินสมบัติซึ่งเราเกรยิยมว่ามีอยู่มากนั้นเมื่อนำไปเทียบ ก, กับสมบัติปรรมจักรหรือราชสมบัติของพระาศาสดาแล้วก็นับว่าเป็นส่วนเล็กน้อยเหลือเกินพระองค์ผู้มีสมบัติมากถึงปานนั้นยังสงสละออกผนวดได้พูดถึงความสุขเล่า ลูกได้ฟังมาจากพระาศาสดาพระองค์นั้นว่าโลกียสมบัติและโลกียสุขเป็นสิ่งไม่ยั่งยืนถาวรมีความทุกข์ความร้อนใจซ่อนเร้นผัวพันอยู่ด้วยเสมอสู้อริยทรัพย์และโลกุตลรสุขไม่ได้ลูกเชื่อพระองค์เพราะพระองค์ได้ผ่านความสุขมาแล้วทั้งสองอย่างเป็นอันมากทั้งโดยปริมาณและคุณภาพพูดถึงการทําความดีจริงอยู่จะอยู่ในเพกบรรพชิต หรือขลือหัดก็ทำความดีได้แต่โอกาสที่จะกำจัดทุกข์ให้สิ้นเสร็จเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงนั้นบรรพชิตย่อมีโอกาสมากกว่าและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่ามิฉะนั้นแล้วเหตุชะไหนเล่าพระบรมศาสดาผู้สมบูรณ์ด้วยความสุขทุกอย่างยิ่ยงราชโอรสจะพึงสละโลกียสมบัติและโลกียสุขออกบวชข่าแต่ท่านมารดาลูกได้ตัดสินเด็ดขาดแล้วว่าจะออกบวชให้ได้ หรือมิฉะนั้นก็ความตายลูกจะเลือกเอาอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้ถ้ามารดาบิดาไม่ปราถนาจะเห็นลูกในเพศบรรพชิตก็คงจะได้เห็นความตายของลูกเป็นแน่แท้ท่านทั้งสองคณีน้ำใจว่าเด็กหนุ่มยังรัฐบาลคงมิได้ตั้งใจอะไรจริงจังนักเพียงแต่ตื่นไปชั่วคราวแล้วคงจะกลับใจเองจึงมิได้พูดอะไรอีกแต่ท่านทั้งสองเข้าใจผิด รัฐบาลกุลบุตรผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วเป็นผู้มีพบสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรสามารถเหนี่ยรังไว้ได้ประหนึ่งผลไม้ซึ่งสุกเต็มที่มีก้วเหี่ยวแล้วจะต้องลนอย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าไม่อาจเข้าใจกันได้โดยวาจาแล้วรัฐบาลกุลบุตรจึงตัดสินใจขออนุญาตมารดาบิดาด้วยการอดอาหารนอนบนพื้นอันปราสจากเครื่องราชตั้งใจอย่างเด็ดเดียวว่า ตรงนี้แหละจะเป็นที่ตัดสินการบวชหรือการตายของเราวันเวลาล่วงไปถึงเจวันรัฐบาลไม่ยอมแตะต้องอาหารเลยแม้แต่น้อยท่านทั้งสองมีความกังวลห่วงใยต่อการกระทำของลูกเป็นอันมากแต่ด้วยทิฐิประการหนึ่งและด้วยความอาลัยรักอีกประการหนึ่งทำให้ท่านทั้งสองทาใจแข็งไม่ยอมอนุญาตให้รัฐบาลออกบวชท่านทั้งสองมาเฝ้าปลอบประโลมให้รัฐบาลบริโภคอาหาร และหาความสุขยิ่ยงคนหนุ่มทั้งหลายแต่รัฐบาลก็ไม่ได้สนใจเลยมุ่งมั่นแต่บรรพชาอุปสมบทเท่านั้นสหายของรัฐบาลกุลบุตรได้ทราบข่าวเรื่องนี้พากันมาช่วยพูดให้รัฐบาลเปลี่ยนใจแต่ก็หาสำเร็จไม่ จึงชวนกันเข้าไปหามารดาบิดาของรัฐบาลอ้อนวอนท่านทั้งสองให้อนุญาตรัฐบาลออกบวชโดยให้เหตุผลว่าถ้าไม่ยินยอมรัฐบาลกุลบุตรจะต้องตายแน่แต่ถ้ายินยอมให้บวชท่านมารดาบิดายังพอมีโอกาสได้เห็นเขาในเพศบรัรพชิตรัฐบาลเคยมีความสุขอาจทนอยู่ในเพศนั้นได้ไม่นานนักก็คงจะกลับมาอย่างเรือนของตนเองขอได้โปรดอนุญาตให้เขาบวชเถิด มารดาบิดาเห็นสมจริงตามเหตุผลแห่งสายของลูกจึงยินยอมและกล่าวว่าลูกเอ๋ยพ่อและแม่รักเจ้าดังดวงใจไม่อาจทนดูความตายของเจ้าต่อหน้าต่อ ต, อตาได้ลุกขึ้นเถิดลูกรักเราทั้งสองอนุญาตให้เจ้าบวชเมื่อบวชแล้วขอให้มาเยี่ยมพ่อแม่บ้างว่าแล้วท่านทั้งสองก็คร่ำครวญด้วยความอาลัยรักประหนือว่ารัฐบาลจะพาดวงใจของท่านทั้งสองไปด้วย อันบุตรต่าวิปโยคนั้นมีพิษรุนแรงเพียงใดยากที่จะทราบได้นอกจากท่านผู้มีบุตรสุดที่รักแต่เมื่อคำนึงถึงความปรารถนาอันรุนแรงของบุตรแล้วมารดาบิดาก็มักตัดความปรารถนาของตนได้เสมออะไรเล่าคือความสุขของพ่อแม่ยิ่งกว่าได้เห็นลูกมีความสุขอะไรเล่าคือความสุขทุกข์ของบิดามารดายิ่งกว่าได้เห็นบุตรตกระกรรมลาบากลูกดี เป็นความชื่นใจของพ่อแม่เป็นที่สุดรัฐบาลได้ยินคําอนุญาตของมารดาบิดาดีใจเป็นที่ยิ่งลุกขึ้นกราบท่านทั้งสองด้วยความเคารพรักและซาบซึ้งในพระคุณของท่านทั้งสองเขาบมรุงร่างกายให้มีกำลังพอสมควรแล้วจัดเครื่องอัฐบริขารเรียบร้อยแล้วออกจากเรือนมุ่งไปสู่ที่ประทรับของพระาศาสดาในขณะที่มารดาบิดาและปิยชนอื่นๆ มีหน้านองด้วยน้ำตานั่นเองเขาได้บวชสมปราถนามีความชื่นชมกับเพศใหม่ที่สงบสงัดจากบาปอากุศลรู้สึกโปร่งใจปราศจากความระแวงในภัยอันตรายที่จะพึงมียิ่ยงครวาดเมื่อพระรัฐบาลบวชแล้วได้ครึ่งเดือน พระาศาสดาทรงละทุละโกรธทิฏานิคมไว้เบื้องหลังสเสด็จจาริกไปสู่นครสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลประทับอยู่ณเชตวนารามณนะที่นั้นเองพระรัฐบาลลีกออกจากมูอยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอย่างมอบกายมอบใจให้กับธรรมไม่อาทรต่อชีวิตไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ ที่กุลบุตรผู้ออกบวชปราถนากันยิ่งนักได้เห็นได้รับด้วยตนเองด้วยปัญญาของตนเองรู้ชัดว่าบัดนี้ความเกิดของเราสิ้นสุดแล้วกิตที่ควรทำได้เสร็จแล้วได้เป็นพระอระหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอระหันต์ทั้งหลายช่างน่าชื่นใจสินี่กระไรเมื่อได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์แล้วพระรัฐบาลประลึกถึงปฏิญญาที่ให้ไว้แก่มารดาบิดา จึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทุลลาไปเยี่ยมมารดาบิดาพระผู้มีพระภาคทรงตรวจ ด, ดูจิตใจของพระรัฐบาลฑทรงทราบว่ามีจิตใจมั่นคงไม่แรปรปรวนแล้วจึงทรงอนุญาตตามความประสงค์ครั้นจาริกถึงทุลักกทิตนิคมแล้วพระรัฐบาลเข้าไปพักอาศัยณพระราชอุทยานชื่อหิคาเจเระของพระเจ้ากัรภิยะ เวลาเช้าได้ถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทเที่ยวบินทบาทในถุลกฏทิตนิคมตามลําดับตรอกได้เข้าไปยังนิเวศของบิดาขณะนั้นท่านบิดากําลังให้ช่างกลระบบสางผมอยู่ที่ซุ้มประตูกลางได้เห็นพระรัฐบาลกําลังเดินมาแต่ไกลจําไม่ได้จึงเปรยขึ้นกับช่างกลระบบว่าสมณะศีสละล้นพวกนี้แหละที่ชักนําเอาบุตรสุดที่รักคนเดียวของเราไปบวช พระรัฐบาลไปยืนอย่างสำรวมอยู่ที่ประตูเรือนไม่ได้การต้อนรับไม่ได้อาหารได้แต่คำด่าว่าสีสีเท่านั้นท่านได้เดินกลับออกไปด้วยกิริยาสำรวมทํานองเดียวกับตอนที่เข้ามาจิตใจท่านได้พ้นจากความวุ่นวในโลกธรรมแล้วขณะที่พระรัฐบาลเดินออกไปภายนอกนั้นมีหญิงรับใช้เห็น่าติของท่านคนหนึ่งกาลังนาขนมบูดไปทิ้ง พระรัฐบาลได้เห็นแล้วกล่าวกับนางว่าน้องหญิงถ้าท่านจะทิ้งของสิ่งนั้นก็ขอจงทิ้งลงในบาศของข้าพเจ้าเถิดหญิงรับใช้จึงเทขนมลงในบาศพร้อมสังเกตลักษณะของพระเถระจำลักษณะมือเท้าและเสียงได้จึงได้รีบกลับเข้าไปหามารดาของท่านรัฐบาลเล่าเรื่องให้ฟังโดยตลอดมารดาของท่านตื่นเต้นดีใจยิ่งนักพูดกับหญิงนั้นว่า ถ้าข้อความที่เจ้าพูดนั้นเป็นความจริงเราจะทําเจ้าให้เป็นไทยไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไปดังนี้แล้วรีบไปหาผู้เป็นบิดาของลูกกล่าวว่ารัฐบาลรัฐบาลลูกของเราได้มาถึงที่นี่แล้วขณะนั้นพระรัฐบาลกําลังฉันขนมบูดอยู่ใกล้ฝาเรือนแห่งหนึ่งท่านบิดาได้เข้าไปหาท่านรัฐบาลเมื่อเข้าใกล้ก็จําได้เห็นอาการของลูกเช่นนั้นก็มีน้ําตานองหน้า กล่าวว่าพ่อรัฐบาลคนอย่างพ่อควรหรือที่มานั่งกินขนมบู์เรือนของท่านก็มีมารดาบิดายังมีชีวิตอยู่ฉนันไหนจึงประพฤติเหมือนคนห่างเหินไม่รู้จักกันพระรัฐบาลเงยหน้าขึ้นหน่อยหนึ่งมองดูขหบดีผู้บิดาและขหปัตนีผู้มารดาแล้วกล่าวว่าอตมภาพลีกออกจากเรือนแล้วเป็นอนาคาริคมุนีผู้ไม่มีเรือน พูดเป็นดังนี้จักอ้างเอาเรือนได้เล่าเป็นของตนอันหนึ่งเมื่อสักครู่ใหญ่ที่ผ่านมานี้เองอาตมภาพได้ไปยืนที่ประตูเรือนของท่านแล้วไม่ได้การต้อนรับไม่ได้คําตอบได้แต่เพียงคําด่าว่าเสียสีเท่านั้นก็ฮาบดีระลึกได้ถึงสมณรูปหนึ่งซึ่งตนเห็นในขณะที่กําลังให้ช่างกระบอกสางผมอยู่จึงกล่าวว่าท่รัฐบาลท่านหรือ ที่เดินผ่านไปในขณะที่พ่อกำลังสา่งผมอยู่ใช่แล้วอัตมภาพเองพระรัฐบาลตอบขอประทานโทษเธอท่านผู้เจริญพ่อจำลูกไม่ได้จริงๆถ้าจำได้ฉันไหนเล่าพ่อจะไม่ต้อนรับลูกช่างเถิดเรื่องได้ล่วงเลยมาแล้วอย่านำมาปารมเลยพระรัฐบาลพูดตัดบทฝ่ายกหบับดีผู้มารดาก็ามาสวมกอดเท้าของพระลูกชาย ครอบครัครวรำพันต่างๆยามหน้าสงสารสังเวชยิ่งนักเช่นลูกเอ๋ยตั้งแต่วันแรกที่ลูกจากไปใจของแม่เฝ้าแต่ระลึกถึงไม่ได้เว้นหวายแม้แต่วันเดียวไม่ว่าจะคิดอะไรทําอะไรใจก็คอยผวองถึงแต่ลูกดวงหน้าของลูกได้ลอยเด่นอยู่ในห้วงนึกของแม่ตลอดเวลาแม้หลับก็ยังฝันฝันว่าลูกกลับมาหาแม่ บันนี้ความฝันของแม่ได้กลายเป็นความจริงแล้วแม่ปลาปลื้มเหลือเกินแต่แม่เกรงว่าความปลื้มของแม่จะไปได้ไม่ยั่งยืนเมื่อคำหนึ่งว่าลูกอาจจากแม่ไปอีกพระรัฐบาลทอดสายตามองโยมมารดาอย่างปราณีและมีธรรมสังเวชแบบอริยะไปเถิดลูกรักท่านบิดาพูดขึ้นเมื่อทุกคนเงียบอยู่ไปเรือนของเรา คาทนียโพชนียาหารมีอยู่บริบูรณ์เหมือนสมัยเมื่อลูกยังอยู่ด้วยอาการที่เคร่งขรึมแต่มีกระแ ส, สเสียงแจ่มใสพระรัฐบาลตอบว่าอย่าเลยข้าบดีสำหรับวันนี้อัตมภาพทำพักิจเสร็จแล้วท่านรัฐบาลถ้าอย่างนั้นขอท่านได้โปรดรับนิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้เถิดพระรัฐบาลรับนิมนต์ด้วยอาการดุสนี ท่านทั้งสองทราบว่าพระลูกชายรับนิมนต์ลแล้วจึงรีบไปยังนิเวศของตนสั่งให้ตกแต่งสถานที่ในบ้านอย่างดียิ่งตามที่นิยมกันในเวลานั้นว่าเป็นเลิศแล้วให้ขนเงินและทองมากองไว้เป็นกองใหญ่แบ่งเป็นสองกองคือเงินกองหนึ่งทองกองหนึ่งแต่ละกองทุ่มศีรษะที่ปิดกองเงินกองทองนั้นด้วยเสื่อลำแพนแล้วให้ปูราดอาสนะไว้ท่ามกลาง ถึงม่านไว้โดยรอบเรียกหญิงอดีตพัญญาของพระรัฐบาลทุกคนมาแนะนําว่าเมื่อสมัยที่รัฐบาลบุตรของเราครองเรือนชอบเครื่องประดับชุดใดของเจ้าจะจงประดับชุดนั้นในวันพรุ่งนี้หญิงเหล่านั้นรับคําของบิดาอย่างง่ายดายทุกคนได้เตรียมเครื่องแต่งตัวและพัตราภรณ์ที่เห็นว่าดีที่สุดเพื่อล่อตาล่อใจพระรัฐบาลนางหารู้ไม่ว่า ใจของพระรัฐบาลนั้นอันอารมณ์ใดๆจะหลอกล่อให้วันไหวไม่ได้อีกแล้วแต่แม้นางจะทราบการได้แต่งกายสวยงามก็เป็นความเรื่นรมใจของหญิงโดยธรรมชาติการได้เครื่องประดับจึงเป็นสิ่งชื่นชูใจของสตรีทั่วไปจะมียกเว้นอยู่บ้างไม่มากนักครั้นล่วงราตรีแล้วท่านเจ้าของบ้านทั้งสองได้สั่งให้ตกแต่งคาเทนยะโภช尼亚หารอย่างประณีต เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คนไปบอกพัตการแก่พระรัฐบาลพระเถระไปะยังนิเวศแห่งบิดาตนนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้อย่างดีท่ามกลางกองเงินกองทองบิดาของท่านสั่งให้เปิดกองเงินและกองทองนั้นพร้อมกล่าวว่าท่านรัฐบาลทรัพย์กองนี้เป็นของมารดากองนี้เป็นของบิดากองนี้เป็นของปู่ ทั้งหมดรวมกันเป็นของท่านแต่ผู้เดียวขอท่านได้บอกคืนสิขามาเป็นครฤหัตใช้สอยทรัพ์สมบัติเหล่านี้และทำบุญตามที่ต้องการเถิดพระรัฐบาลมองดูกองเงินกองทองด้วยสายตาที่ไม่อาลัยไร้ไรความใยดีอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านบิดาทรัพสมบัติเหล่านี้อัตมาภาพไม่เคยเห็นก็หาไม่ได้ อธรรมภาพเคยทราบและเคยเห็นตั้งแต่ก่อนออกบวชแล้วมันยังไม่สามารถเหียร้างอัรรมภาพไว้ได้ก็ฉนายเล่าบัดนี้อัรรมภาพจะมานิยมยินดีกับสิ่งที่ไร้สาระนี้บัดนี้อัรรมภาพได้รับสิ่งที่มีรสเริศกว่าคือธรรมรสแล้วขอทรัพย์สมบัติเหล่านี้จึงเป็นของผู้ที่ต้องการเถิดอัรรมภาพไม่ต้องการมารดาได้กล่าวขึ้นว่า เหตุไงท่านจึงกล่าวว่าทรัพสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งไร้สาระมันเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายแสวงหามิใช่หรือถ้ามันไร้สาระจริงแล้วเหตุใรคนจึงแสวงหากันนักถึงกับต้องแย่งชิงข้าฟันกันก็มากก็เพราะเหตุที่คนทั้งหลายไร้ปัญญาจักสุพระรัฐบาลตอบมีความคิดวิปลาสคลาดเคลื่อนเห็นสิ่งที่ไร้สาระว่าเป็นสาระ และกลับเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระจิงหมกมุ่นทัวพันอยู่กับอาสาระทอดทิ้งสิ่งที่เป็นสาระเสียเสมือนคนเขาเข้าไปในป่าต้องการแก่นไม้แต่เอากิ่งและใบไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นเขายอมไม่สำเร็จประโยชน์ด้วยกิตที่ต้องทำด้วยแก่นไม้อันนท่านทั้งสองกำลังประสบทุกทนมนักอยู่บัดนี้ก็เพราะทรัพสมบัตินี้ไม่ใช่หรือ ถ้ามันเป็นสิ่งมีประโยชน์แท้จริงแล้วฉไนจิงให้ความทุกข์แก่ท่านถี่ปานนี้จริงอยู่ชาวโลกย่อมต้องอาศัยทรัพย์สมบัติลิ้นงชีพมันมีประโยชน์ต่อเมื่อรู้จักใช้แต่ถ้ามีมันแล้วยอมตอนลงเป็นทาสของมันต้องทุกพร้อนวิตกกังวลด้วยทรัพย์สมบัติต่างๆไม่รู้จักสิ้นสุดแล้วจะมีประโยชน์อันใดถ้าโยมทั้งสองเดือดร้อนนะักเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัตินี้ ก็ให้ขนไปทิ้งแม่น้ำเสียเถิดจะได้ปลอดโปร่งเบากายสบายใจอันหนึ่งเล่าคนอนาถาไร้ที่พึ่งอดอยากแฟนแขนในบ้านเมืองนี้ก็ยังมีมากนะักถ้าท่านทั้งสองจะแจกจ่ายเอื้อเฟื้อให้แก่ข่าวบ้างชื่อว่าได้ทำศัพย์ให้เป็นประโยชน์ย่อมได้รับความชื่นสุขเป็นครึ่งตอบแทนอัตมาภาพคิดว่าดีกว่าเก็บไว้เป็นกองพนินอย่างที่เห็นอยู่นี้ซึ่งในที่สุด ยนทั้งสองก็จะต้องละทิ้งทรัพย์ทั้งปวงไปและนำไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเมื่อความตายมาถึงเข้าท่านผู้มีพระคุณพระรัฐบาลพูดต่อจงรีบเถิด รีบขนขวายแปรสิ่งที่ไม่มีสาระให้เป็นสาระทั้งสิ่งที่ติดตามตนไปไม่ได้ให้กลายเป็นสภาพที่ติดตามไปได้ทุกภพทุกชาติท่านเอ๋ยจะกล่าวยายถึงทรัพสมบัติภายนอกเล่าแม้แต่ร่างกายอันเป็นที่ยึดมั่นหวงแหนว่าเป็นของเรามาตั้งแต่ปฐมวัยจวบจนสิ้นลมปราณเพราะชราก็ไม่มีใครสามารถนาไปได้ ต้องขิงไว้เป็นเหยื่อของหมูนอนและฝูงวิหกนกกาหรือมิฉะนั้นก็พระเทลินบัดนี้ท่านทั้งสองอันชรามาเยือนแล้วเหมือนใบไม้เหลืองจวนหล่นขอให้รีบทําที่พึ่งแกต่ตนเถิดเมื่อได้ฟังดังนี้พัญญาเก่าของพระรัฐบาลครั่องครวัวก็ามาจับที่เท้าของท่านแล้วรำพันว่าท่านผู้เจริญ นางฟ้าทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ท่านประพฤติพรหมจันท ร, ร์นั้นเป็นเช่นไรท่านจึงไม่สนใจใยดีต่อโลกมนุษย์เสียเลยดูก่อนน้องหญิงพระรัฐบาลตอบน้ำเสียงแสดงความเป็นผู้ไม่มีอะไรเราไม่ได้ประพฤติพรหมจันท ร, ร์เพื่อต้องการนางฟ้าแต่ต้องการความบริสุทธิ์หมดจดจากความเศ้าหมองทั้งปวงเมื่อไดิจินดังนี้ หญิงเหล่านั้นถึงกับสลบล้มลงด้วยความเสียใจอันหนึ่ง น, นางได้ยินคำว่าน้องหญิงจากปากของพระรัฐบาลอันเป็นการแสดงว่าไม่มีความเยื่อใหญ่แล้วทำให้นางมีความรู้สึกทันทีว่าการที่จะให้พระรัฐบาลหวนกลับมาครองเรือนนั้นเป็นอันสิ้นหวังท่ามกลางใบหน้าซึ่งชุ่มโชกไปด้วยน้าตานั่นเองพระรัฐบาลเอ่ยขึ้นว่า ดูก่อนคหาบดีถ้าจะพึงให้โภชนาแก่อัตมาภาพก็จงให้เถิดอย่าให้อัตมาภาพต้องลำบากเลยด้วยการเตือนนี้ทุกคนมีสติระลึกได้ว่าได้มีมนพระรัฐบาลมาฉันอาหารที่บ้านที่ได้มีมนมารับทรัพย์วรดกจินช่วยกันถวายอาหารอันประณีที่ได้เตรียมไว้แล้วด้วยน้ำมือของตนของตนพระรัฐบาลฉันอาหารเสร็จแล้วชักมือออกจากบาทแล้ว ได้ยืนขึ้นเตรียมจะไปก่อนจากท่านได้กล่าวถ้อยคําเป็นเครื่องเตือนใจไว้ว่าดูเอาเถิดดูอัตภาพอันคุมกันเข้าอย่างวิกิตแต่มีความกระสับกระส่ายกระวนกระวายไม่ยั่งยืนมั่นคงเป็นที่ประสานขึ้นแห่งกระดูกนี้หนังเป็นเครื่องห่อพุ่มแพร่พราวด้วยเสื้อผ้าอาภร์เป็นที่ดําริถึงของคนเป็นอันมาก แต่ไม่เป็นที่ต้องการของผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานท่านเป็นดังพรานเนื้อวางบ่วงไว้แต่เนื้อไม่ติดบ่วงพรานเนื้อจึงเคร่อครวญเสียใจเราเป็นเหมือนเนื้อตัวนั้นกินแต่อาหารแล้วจากไปกล่าวดังนี้แล้วพระราชบาลจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคาจีระของพระเจ้าโกรพิยะนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่ง คังนั้นพระเจ้าโกรพะยะรับสั่งให้พนักงานรักษาพระราชอุทยานตกแต่งพระราชอุทยานให้สะอาดเรียบร้อยจะเสด็จไปทอดพระเนตรในขณะที่เจ้าพนักงานกําลังตกแต่งพระราชวิทยานอยู่นั้นได้เห็นพระรัฐบาลนั่งอยู่โคนไม้แห่งหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโกรพะยะทูลให้ทรงทราบว่าบัดนี้พระรัฐบาลบุตรแห่งตระกูลผู้ดีในธุลโกตทิตานิคมนี้ ซึ่งพระองค์ทรงสรรเสริญอยู่เนือ ง, องกําลังนั่งพักอยู่ในพระราชอุทยานพระเจ้า ก, กั ร, รับพญาทรงทราบดังนั้นมีภพประสงค์จะเสด็จไปเดี๋ยวนั้นเพื่อสนทนากับพระรัฐบาลจึงรับสั่งว่าของเคี้ยวของบริโภคต่างๆที่เตรียมไว้สําหรับเสวยในสวนนั้นขอให้แจกจ่ายไปให้หมดดังนี้แล้วรับสั่งให้เทียมพระราชยานชั้นดีเสด็จออกจา ก, ก ธ, ธุลโกติตามิคม เพื่อราชานุภาพอันยิ่งใหญ่สเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระราชยานไปจนสุดทางเท่าที่พระราชพาหนะจะไปได้แล้วลงจากพระราชยานแสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยข้าราชบริพารชั้นสูงก็ไปหาพระรัฐบาลทรงปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วประทับยืนหน้าที่อันสําควรแก่พระองค์อาราฐนาให้พระรัฐบาลนั่งบนเครื่องราชที่เจ้าพนักงานตกแต่งไว้ พระรัฐบาลถวายพระพรว่าเชิญมหาบพิษพระทับนั่งเถิดอัตมาภาพนั่งที่อาสนะของตนดีอยู่แล้วพระเจ้าโกรพยะจึงประทับนั่งบนอาสนะที่เจ้าพนักงานจัดถวายและตรัสขึ้นว่าท่านผู้เจริญเหตุปิบัติสีประการทำให้บุคคลออกบวชกล่าวคือความแก่ความเจ็บป่วยความเสื่อมจากโภคทรัพย์และความเสื่อมญาต ข้าพเจ้าไม่เห็นความวิบัติแม้ประการเดียวในท่านเภชไนท์ท่านจึงออกบวชประพุทธโภมจันทร์พระรัฐบาลถวายพระพวรว่ามหาบพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมุทธเทศไว้สีประการซึ่งอัตมภาพได้ฟังแล้วได้รู้เห็นแล้วจึงออกบวชประพุทธโภมจันทร์ธรรมุทธเทศสี่ประการนั้นคือหนึ่งโลกอยู่ภายใต้การครอบงำของชราก้าวเข้าไปสู่ชรา ไม่ย่างยดนสองโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่สโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปสโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าทแทงตั้งหามหาบพิตรอตมภาพได้ฟังได้รู้เห็นธมมุตเทศทั้งสี่ประการ น, นี้แล้วจึงออกบวชพระเจ้าโ ก, กรภิยะตรัสถามว่าข้อว่าโลกถูกชราครอบนำ ม า, ย, ายั่งยืนนั้นมีเนื้อความอย่างไรพระรัฐบาลอธิบายว่ามหาบาพิตรเมื่อก่อนนี้เมื่อพระองค์มีพระชนยี่สิบก็ดียี่สิบห้าก็ดีทรงคล่องแคล่วในเพลงช้างเพลงมา้าเพลงอาวุธมากไม่ใช่หรือทรงมีกําลังแขนขาและความสามารถทางพระกายดีมากเคยทรงเข้าสงครามมาแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นท่านผู้เจริญพระเจ้ากรุรับพระยศทรงรับเดี๋ยวนี้เล่า เป็นอย่างไรมหาบพิตรโอ้พระคุณเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าแก่แล้วล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้ววัยของข้าพเจ้าล่วงเข้า80แล้วแม้จะเดินเหินก็ไม่คล่องแคล่วเก้าผิดเก้าถูกอย่าว่าแต่จะออกสงครามเลยมหาบพิตรผู้อื่นเล่าถ้ามีอายุยืนถึง 80-90 จะเป็นเหมือนพระองค์หรือไม่เหมือนกันพระขุเจ้า บางคนยังไม่ถึงแต่สิบเลยแกงอมยิ่งกว่าเขาไปแก้วซิอีกมหาบพิตรพระรัฐบาลย้ำทรงเห็นหรือไม่ว่าโลกหรือสัตว์โลกทั้งหมดโน้มไปในชราโน้มไปเอียงไปในชราอันชราครอบนำย่ำยีไม่ยั่งยืนไม่ทนอยู่ได้นานเลยดูก่อนจอมชนชาวครุความจริงมนุษย์และสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตทุกปวงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ก้าวไปสู่ ทาราทุกลมหายใจเขาออกหรือทุกๆขณะและบ่ายหน้าไปสู่ความตายหรือความแตกดับไม่มีอะไรหยุดยั้งได้เลยดูก่รภูมิบดีด้วยเหตุนี้พระาศาสดาของข้าพเจ้าจึงตรัสว่าความแก่และความตายต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนนายโคบานต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินอันหนึ่งพระพุทธองค์งทรงชี้ให้เห็นอยู่เสมอว่าชีวิตนี้น้อยนะัก มนุษย์มักจะต้องตายภายในอายุหนึ่งร้อยปีแม้จะมีที่อายุยืนกว่านั้นไปบ้างก็ต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้ผู้ใคร่ความดีไม่พึงประมาทมัวเมาในเรื่องอายุควรรีบบำเพ็ญคุณงามความดีรีบดับทุกข์เหมือนคนที่มีไฟไหม้อยู่บนศีรษะรีบดับเสียโดยพลันความตายจะไม่มาถึงนั้นเป็นอันไม่มีวนคืนล่วงไปชีวิตก็สั้นเข้าทุกที เมือนน้ำในแอ่งน้อยถูกแสงอาทิตย์แผดเผาย่อมพลันเหือดแห้งไปราวป่าเงียบสงัดพฤกษชาติยืนต้นนิ่งเสมือนหนึ่งจงใจสดับธรรมของพระเถระผู้เลิศทางออกบวช ด, ด้วยศรัทธาขณะนั้นใบไม้เหลืองใบหนึ่งลนลงบึ้งหน้าของผู้สนทนาทั้งสอง พระัฐบาลหยิบขึ้นมาพิจารณาหน่อยหนึ่งแล้วส่งถวายพระเจ้าโกรพยะพลางกล่าวว่ามหาบพพิธทอดพระเนตรเถิดทั้ท ง, ทงทั้งที่มิได้มีลมพัดเลยแม้หน่อยหนึ่งแต่ใบไม้นี้ก็ร่วงลงมาได้เพราะความแก่รอบไม่อาจดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้ดูเถิดมหาบพพิธโลกอันชารานำไปก้าวไปสู่ชราไม่ยั่งยืน ใบไม้นี้เดิมทีก็เป็นใบอ่อนแล้วเป็นใบแก่และเหลืองเหลืองจัดแล้วหล่นชีวิตก็เป็นเช่นนี้ควรรีบบำเพ็ญคุณงามความดีไม่ควรประมาทพระเจ้าโกรพยะน้อมพระเสียงลงหน่อยหนึ่งแล้วตรัสว่าพระคุณเจ้าน่าอาศัศจรรจร์จิงอศัศจ ร, รแท้แท้ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าโลกก้าวไปสู่ชราไม่ยั่งยืนพระคุณเจ้า ในธรรมุิเทศข้ออื่นๆเล่ามีเนื้อความอย่างไรขอพระกุณเจ้าได้โปรแสดงเพื่อเป็นมงคลแก่โสดของข้าพเจ้าด้วยเถิดรับตาอยู่ครู่หนึ่งแล้วพระรัฐบาลก็ถวายวิสัชนาว่ามหาบพิษข้อว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่นั้นเพื่อความชัดเจนอัตมภาพขอทูลถามสิ่งที่เกิดประจักษ์แก่พระองค์ก่อนทรงเห็นอย่างไรขอให้ทรงตอบอย่างนั้น มหาบพิธพระองค์เคยทรงไปชวนหนักหรือไม่เคยพระกุญเจ้าเคยบ่อยไปพระเจ้าโกรพิยะทรงรับเมื่อข้าพเจ้าป่วยหนักนั้นญาติสาโลหิตมิตรอมาต ร, ราชบริพารต่างก็มาห้อมล้อมอย่างใกล้ชิดบางคนวิตกว่าพระเจ้าโกรพิยะอาสวรรคตบัดนี้แล้วมหาบพิธมีใครสามารถแบ่งทุกขเวทนาของพระองค์ไปได้บ้าง ไม่เลยพระกุณเจ้าข้าพเจ้าต้องสวยทุกขเวทนาไปเพียงผู้เดียวแม้ข้าพเจ้าจะปรารถนาความสุขสำราญหรือความหายโรคเพียงใดก็หาสำเร็จสมปรารถนาไม่จนกว่าโรคจะทุเลาลงด้วยโอสดอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละมหาบ่อพิษคือความหมายแห่งพระภาสิตที่พระาศาสดาตรัสว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่ นี่แหละมหาบทพิษคือความหมายแห่งคราสิทธิ์ที่พระาศาสดาตรัสว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่ดูก่อนภูมิบดีพระาศาสดาตรัสไว้อีกว่าสัตว์ที่เกิดแล้วต้องเผชิญภัยใหญ่คือความตายทั่วทุกคนผลไม้ทุกชนิดเมื่อสุกแล้วย่อมลนจากต้นภาชนะดินทุกชนิดมีการแตกทําลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้น มีความตายเป็นที่สุดเมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจาักต้านทานได้วิฏฐิมาตยาติสาโลหิตทั้งหลายก็ได้แต่นั่งมองดูหรือรำพันกรรมสดปริเวทนาการเขาต้องไปผูด้เดียวโดยแท้นี่แลมหาบพิษโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่ท่านผู้เจริญข้อว่าสัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนั้นมีความหมายอย่างไรมหาบพิษปัตนี้พระองค์ทรงเ อ, อิบอิ่มพร่งพร้อมอยู่ด้วยกามคุณห้าเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วจะนําเอาทรัพย์สินสมบัติบรุษสตรีพ์ประสาทราชวังไปในโลกหน้าได้หรือไม่ไม่ได้เลยพระกุณเจ้าต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นหรือให้เป็นสมบัติของโลกต่อไปมหาบพิษนี่แลสัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไ ป, ปราชันพระบรมศาสดายังตรัสไว้อีกว่าเมื่อบุคคลเข้าไปยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตนเขาย่อมเศร้าโศกเสียใจเพราะความแปรปลีนไปของสิ่งนั้นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงมีความแปรปลีนเป็นธรรมดาสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมมีความพัดพรากเป็นที่สุดคือในที่สุดก็ต้องพัดพรากจากกันไปแม้ข้อนี้ก็แสดงว่า สับโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปราชันโภคสมบัติทั้งหลายละทิ้งบุคคลไปก่อนเพราะแตกทำลายบ้างบุคคลละทิ้งโภคสมบัติไปก่อนในเพราะความตายบ้างรู้ดังนี้แล้วจึงไม่ควรเศร้าโศกในเพราะความพัดพรากดวงจันทร์เต็มดวงบ้างเวาวแหว่งบ้างมืดมิดบ้างฉันใดบุคคลในโลกนี้ก็ฉันนั้น ได้สิ่งต่างๆเต็มความปรารถนาบ้างไม่เต็มความปรารถนาบ้างผิดหวังทั้งหมดคือไม่ได้ดังปรารถนาเลยบ้างโลกก็ทำเป็นอย่างนี้เองจึงไม่ควรเศร้าโศกตราบใดที่ยังยึดถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราบุคคลย่อมไม่สามารถพ้นจากความโศกได้ตราบนั้นความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเราเพียงอาศัยใช้ชั่วคราวแล้วต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป มุนีไม่รักสิ่งใดไม่ชังสิ่งใดไม่หวงแหนสิ่งใดเมื่อเป็นดังนี้ความเศร้าโศกรำพันย่อมไม่มีในมุนีนั้นเหมือนน้ำไม่ติดใบบัวและใบบัวไม่ติดน้ำ พระกุณเจ้าข้อว่าสัตว์โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่อเป็นทา่าของตัณหานั้นมีความหมายอย่างไรมหาบพิตรบัดนี้พระองค์ทรงปกครองกุรุรัฐอันเจริญอยู่ถ้ามีราชบรุษที่มีวาจาพอเชื่อถือได้มาจากทิศ ท, ทุ้งสี่ของกุรุรัฐนี้กราบทูลว่าในทิศนั้นทิศนั้นมีชนบทใหญ่มั่งคั่งเจริญมีคนมากมีสัตว์ชนิดที่ฝึกแล้วมาก มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเหลือเกินในชนบทนั้นมีสตรีปกครองพระองค์าอาจรบชนะได้ด้วยกําลังพลประมาณเท่านี้เท่านี้มหาบพิษทรงทราบแล้วจะทําอย่างไรข้าพเจ้าคิดว่าจะไปรบให้ชนะแล้วครอบครองชนบทนั้นๆ น, น, นี่แหละมหาบพิษสัตว์โลภพล่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่อเป็นทาตของตัณหาดูก่อนราชั มนุษย์ทั้งหลายพากันสแสวงหาสิ่งที่ยังไม่มีหรือสิ่งที่ตนเข้าใจเอาว่ายังขาดทั้งๆ ท, ที่หาได้ขาดจริงๆไม่เมื่ อ, อยังไม่ได้ก็กระสับกระส่ายกระวนกระวายเร่าร้อนเมื่อได้มาแล้วก็หมกมุ่นผัวพันติดอยู่ปกเป็นทาสของสิ่งนั้นไม่เป็นอิสระไม่เป็นกลางหวงแหนเฝ้าพิทักรักษาด้วยใจจดจอ่อกังวลริษยาอาฆาตผู้อื่นเพราะอาศัยสิ่งที่ตนได้มานั้นเป็นปัจจัย เมื่อผัดพลากก็เศร้าโศกรำพันดูก่อนภูมิบุรีความพอจะไม่มีถ้ามนุษย์ไม่จํากัดขอบเขตแห่งความพอของตนไว้มนุษย์ส่วนมากมิได้จํากัดขอบเขตแห่งความพอไว้สิ่งที่ได้มาจึงเป็นเหมือนเชื้อไฟมาเพิ่มให้ความต้องการอย่างใหม่เจริญขึ้นกลุนแรงมากขึ้นก็เถิดไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ได้ผ่ากันสแสวงหาสิ่งภายนอกมาบํารุงปลนเปลืตน เต่าขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยพบจุดอิ่มเหมือนไฟไม่อิ่มด้วยเชือ้อเขาจะไม่พบความสงบสุขหรือความสมปรารถนาที่ถาวรแท้จริงได้แต่เมื่อใดบุคคลใดมากําหนดรู้ความอยากโทษของความอยากอันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วละความอยากในส่วนที่ไม่จําเป็นเสียดํารงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆด้วยเหตุผลบริสุทธิ์เมื่อนั้นแหละเขาจึงจะได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริง คนส่วนมากประพฤติตามความอยากตกอยู่ในอำนาจของความอยากมีใจพร่องอยู่เป็นนิดเมื่อมโนรสของเขายังไม่ถึงที่สุดนั่นเองปัจจุราชก็มาเยือนและดึงตัวเขาไปญาตทั้งหลายก็พากันคร่ำครวญคลุมเขาผู้ตายแล้วด้วยผ้านำไปสู่เชิงตะก่อนเขาละสมบัติทั้งปวงไปญาตพี่น้องบริวารก็ต้านทานไว้ไม่ได้ เขามาคนเดียวและไปคนเดียวตามกรรมของตนของตนผู้สังสมบาปไว้ย่อมต้องประสบทุกข์ในโลกหน้าส่วนผู้สังสมบุญไว้ย่อมประสบสุขบุญบาปนี่ตั้งหากที่จะติดตามเขาไปเป็นสมบัติของเขาหาใช่สมบัติภายนอกไม่ด้วยเหตุนี้ผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์จึงควรสังสมกรรมดีไม่ควรเบื่อนหน่ายในการสังสมกรรมดี เมื่อพระรัฐบาลกล่าวจบลงพระเจ้าโกรพยะจึงตรัสว่าอาศ จ, จรรย์จิงท่านรัฐบาลอาศ จ, จรรย์จิงข้อที่ท่านกล่าวว่าสัตว์โลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่ก็ดีสัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นของตนล้วนต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปก็ดีสัตว์โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่อเป็นท่าของตันหาก็ดีล้วนเป็นความจริงที่น่าอัศจรย์ทั้งสิ้น พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเป็นสวากาตธรรมทมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วโดยแท้ แดดอ่อนลงมากแล้วบริเวณราชอุทยานร่มรื่นมากขึ้นยังความรื่นรมให้เกิดแก่กายและจิตของชีวิตทั้งปวงที่อาศัยอยู่ณราชอุทยานนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าโกราพยะสงสมนัดเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทรงสดับธรรมุเทศอันเป็นสัจธรรมที่อํานวยประโยชน์กแก่ผู้เพ่งธรรมมิใช่น้อยพระรัฐบาลอาศัยราชอุทยานมิคาจีระตามสมควรแล้ว ก็จะริกไปตามอัธยาศัยประดุดเนื้อที่ไม่ติดบ่วงเที่ยวไปในป่าได้อย่างเสรีตามปรารถนาพระรัฐบาลได้รับการยกย่องจากพระสุคตเจ้าว่าเป็นเอตะทักคะผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายผู้ออกบวช ด, ด้วยศรัทธา